ทีนี้เมื่อปฏิบัติด้วยอํานาจอิทธิบาทเนี่ยนะอิทธิบาทสี่ชั้นท่าวิริยะจิตตาวิมังสาเป็นมูลเป็นบาตเป็นประธานเป็นเครื่องให้สําเร็จเพื่อที่จะเจริญอินทรีย์้ให้บรรลุมรรคผลทีนี้บรรลุมรรคผลบรรลุยังไงมาดูข้อสี่สิบห้าหน้าสามสิบสามเนี่ยว่าสภาวะแห่งทุกเนี่ยนะทุกขสัตว์เนี่ยนะนี่ทุกทุกอะไรทุกขทุกวิปริณามทุกสังขารทุกอนี่ยสภาวะแห่งทุกขทุกวิปริณามาทุก สังขารทุกทุกเนี่ยมันบีบคั้นตัวมาทุกเองเนี่ยมันบีบคั้นด้ยบีบคั้นด้วยทุกข์ทุกวิปริณามาทุกสังขารทุกทุกนี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งถ้าเห็นว่าทุกเนี่ยมันถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่แสดงว่าเห็นเห็นสมู ท, ทยัยเห็นสมูทัยเพราะว่าสมูทัยเนี่ยมันเป็นตัวไปจัดแจงปรุงแต่งทุกสภาวะที่ทุกเนี่ยให้เดือดร้อนเดือดร้อนก็คือสันตาปณะเนี่ยนะสันตาปะเนี่ย สันตาปะเนี่ยเดือดร้อนไอ้ความเดือดร้อนอันนี้หมายถึงว่าเห็นอริยมรรคที่อันเย็นเพราะกระจัดความเร้าร้อนคือกิเลสทั้งปวงได้ส่วนสภาวะที่ทุกนี่แปรปรวนเพราะเห็นนิโรธคือพระนิพพานที่ไม่แปรปลวนพรานการเห็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเห็นทุกข์โดยรอบอย่างนี้นะชื่อว่าเห็นอริยสัจด้วยเพราะอาริยสัจนี้บรรลุด้วยอยางเดียวบรรลุด้วยมรรคตัวมรรคเนี่ยตัวมรรคเนี่ยบรรลุทั้งอะไร บรรลุทุกสมูทัยนิโรธมากเลยใช่ไหยในขณะอริยามรรคเกิดเมื่ออริยามรรคเกิดนั้นจึงเห็นตัวสภาวะทุกข์ทุกนี่เบียดเบียนเห็นสมูทัยโดยฐานะมาปรุงแต่งเห็นว่าเห็นมรรคเนี่ยที่กำจัดความเร่าร้อนเห็นนิโรธธรรมชาติที่ไม่แปรปรวนแสดงว่าเป็นการคิดโดยโรคจริงๆเขาไม่ได้คิดแง่เดียวใช่ไหมก็มองเห็นว่านี้ทุกดีบขั้นเบียดเบียน ทุกนี่ถูกสมุทัยเนี่ยปรุงแต่งขึ้นทุกเนี่ยมันธรรมชาติที่เดือดร้อนซึ่งต่างจากนิพาอารยมรตถ้ามีมรตนะไม่เดือดร้อนอย่างนี้เลยเห็นดูนะผู้ที่ไม่มีมรตเนี่เดือดร้อนเลยเดือดร้อนถ้าอารยมรตเนี่ไม่เดือดร้อนเพราะสงบความเร่าร้อนกําจัดความเร่าร้อนส่วนทุกเนี่ยธรรมชาติเขาแปรปรวนเพราะหมายถึงเห็นถ้านิพานที่ไม่แปรปรวนสมมุติว่าเราจะเห็นว่าอะไรเลวสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแสดงว่าเรามีอะไรมาเปรียบใช่ไหม ถ้าเราเห็นว่าอะไรเป็นของน้อยโอ้ตักเข้ามาทําไมหน่อยเดียวแสดงว่าเรารู้อว่ามันต้องมีอะไรที่มันมากกว่านั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าทุกข์มันแปรปรวนแสดงว่าเห็นพระนิพพานที่ไม่แปรปรวนหลการเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเดือดร้อนก็แสดงว่าเห็นมรรคเนี่ยโอ้มทําให้เย็นนะทุกข์เนี่ยมีแต่เดือดร้อนถ้าเห็นว่าทุกข์ถูกปัดใจปรุงแต่งแสดงว่าไอ้ตัวสมุทนนะัยนั่นมาปรุงแต่งเั็นธรรมชาติของเขาตัวทุกข์นี่เบียดเบียนบีนบคั้น อันถ้าเห็นเห็นทุกข์โดยปีรณะนะสังคตะสันตาปะวิปรินามะเนี่ยก็บรรลุได้อะ น, น, นะก็เห็นอริยสัตว์ได้ทั้งสีประการเพราะท่านบอกว่าเห็นสัจจะหนึ่งก็ชื่อว่าเห็นสัจจะที่เหลือด้วย น, นะเห็นหนึ่งก็ถือว่าเห็นโดยรอบอ น, นะส่วนสมุทัยสัตว์สภาวะของเขาก็คือสมุทัยนะคือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมสมุทายนั้นธรรมชาติที่ประมวลมา อายุหณะเนี่ยนะอายุหณะประมวลมาอะไรเนี่ยที่มามากันนี้ก็มาด้วยอํานาจสมูไทยนี่แหละประมวลมาในภพสามนี่นะสมูไทยนี้เป็นนิทานนํำมามานิทานเนี่ยแปลว่าเหตุอนะนิทานเนี่ยเป็นเหตุเหตุนำอะไรมาก ร, ระทุกนีแ่แหละพอเห็นบอกไอ้เจ้านี่แหละคือเหตุแสดงว่าโยนภาระมาให้เราคือตัวทุกข์ใช่ไหมถ้ารู้ว่าสมูไทยเนี่ยเป็นเหตุก็แสดงว่าเหตุดได้ผลมาแล้วคือตัวทุกข์ละ่ะ สมูทัยนี่มันเกี่ยวข้องแสดงว่าเห็นนิพานที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรเห็นว่าสมูทัยนี่มันพัวพันพัวพันเกาะแน่นอริยมออรคนี่นําออกอริยมรคนี่นิยานี้กะสมัยธรรมชาติที่นําออกเพราะถ้าเห็นสมูทัยจริงก็เห็นอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการคือถ้าเห็นว่าสมูทัยสภาวะของเขาเนี่ยประมวลมาซึ่งพบสามสมูทัยนี่เป็นนิทานคือเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น อันถ้าเห็นสมูทายผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นทุกเห็นสมูทายก็ชื่อว่าเห็นนิโรธเพราะว่าสมูทายเกี่ยวข้องนิพพานไม่เกี่ยวข้องเห็นสมุดเห็นสมูทายเนี่ยว่าผัวพันอริยมรรนําออกถ้ารู้สมูทายโดยรอบก็รู้สัจจะทั้งสี่ประการส่วนสภาวะแห่งนิโรธนิโรธสัจจะคือพระนิพพานเนี่ยนะว่าสภาวะที่นิโรธนีิสลัดออก ด้วยการเห็นนิโรธว่านิโรธธรรมชาติของเขาเนี่ยธรรมชาติที่สลัดออกนิสรณะเนี่ยนะนิสรณนะเช่นอัศาธาอาทีนวะนิสรณนะนั้นนิโรธนั้นธรรมชาติเขาคือธรรมชาติที่สลัดออกนิโรธนั้นเป็นวิเวกวิเวกเพอเห็นสมูทัยใช่ไหมสมูทัยมันทําให้วิเวกไหมสมูทัยนะมันเกิดขึ้นนะพาไปคลุกคลีบอกเออนั่นก็ น, น้าไปนี่ก็ น, น้าเที่ยวอย่าไงเงี้ไปตน สมุทัยนี่มันคลุกคลีซึ่งต่างจากนิพพานที่ไม่คลุกคลีเนี่ยนะนิโรดนี้เป็นอสังขตะแต่อริยมรรคที่ทําให้บรรลุนิโรดนั้นเป็นสังขตะนั้นผู้ใดปรารถนาบรรลุนิโรดโดยที่ไม่สังขตะเลยไม่ได้บรรลุไม่ได้มันจะต้องเจริญมรรคอันเป็นสังขตะเป็นยานที่จะนําให้ออกจากวตะเนี่ยนิโรดเป็นอมะตะแสดงว่าเห็นทุกข์อันเป็นพิษเนี่ยทุกข์ประดุดยาพิษเนี่ยนะ มันเห็นนิโรธสัจจะก็ชื่อว่าเห็นสัจจะสี่ที่เหลือด้วยตัวอริยมรรคมรรคมรร ก, ก็คือเป็นทางนะอริยมรรคนั้นเป็นนิยานิกะเป็นธรรมชาติที่นำออกจากทุกใช่ไหมอริยมรรคเป็นตัวที่นำออกจากทุกรอนนิยานิกะธรรมสภาวะของมรรคนี่เป็นตัวที่นำออกจากทุกอริยมรรคนี่เป็นเหตุอริยมรรคนี่เป็นเหตุของอะไรเหตุของนิพพาน สมเท่ากับเห็นสมูทัยที่เป็นเหตุของทุกข์นะเเพราะสมูทัยนี่ไม่ใช่เหตุของนิพพานเลยถ้ารู้ว่าอริยมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็รู้ว่าสมูทยไม่ได้เป็นเหตุแห่งนิพพานเลยถ้ารู้ว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เห็นอะไรคือสิ่งที่นิพพาอริยมรรคเห็นก็ น, นิพพานนิโรธเป็นที่ที่มรรคเห็นส่วนมรรคนี่เป็นอธิบดี อธิบดีท่านอุปมาว่าเหมือนกับตระกูลที่ร่ำรวยด้วยโภค่าร่ำรวยมากเลยนะอเห็นทุกข์เหมือนกับอะไรคนยากคนจนคนยากคนไร้มีกระท่อมอยู่หลังเดียวเนี่ยอนาถานาดูเลยพรานเห็นพวกทุกข์ัตร์เหมือนคนอนาถาเห็นมักคศัตร์นี้เหมือนอะไรตระกูลที่โภค่าโอรา น, นั้นถ้าเห็นมรรคจริงก็เห็นอริยสัจทั้งหมดเลยนะถ้าเห็นมรรคจริงนั้นอริยสัจสี่นั้นท่านถือว่าแทงตลอดด้วยหยาดเดียว บรรลุด้วยยานะอันเดียวก็ว่าไปแล้วก็น่าบรรลุมากเลยนะอริยสัจเนี่ย น, นะเพรถ้าเพราะไม่รู้ไม่เห็นบทอันประเสริฐคืออริยสัจเหล่านี้นี่แหละเราทั้งหลายและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวะะัฏฏะใช่ไหมท่องเที่ยวไปเกิดทบแล้วพบเล่าทุกแล้วทุกเราก่อนที่พงศ์จะปรินิพพานพระองศ์ก็ตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายว่าบัทนี้เราและเธอทั้งหลาย เห็นอริยสัจแล้วเราทั้งหลายจึงพ้นจากอะไรพ้นจากการเกิดพ้นจากวัตตะเพราะไม่เห็นบทอันสงบเหล่านี้เนี่ยนะในสมัยพุทธกาลนั้นพระนางประชาบดีโคตมีเทรีท่านกล่าวว่าบทอันสงบอันนี้เดียร์ีไม่เห็นแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแม้เด็กหญิงอายุเจดขวบก็เห็น น, นะของเรานี่ก็คูณสิบน่นะน่นะหลายคนก็คูณสามคูณสี่คูณห้า เจ็ดขวบคูณหลายสิบอันนึงก็เพื่อให้เห็นบทอันสงบใช่ไหมบทอันสงบนั้นอริยศาสนั้นถ้าเห็นอันหนึ่งก็ชื่อว่าเห็นอันอื่นด้วยเพราะเขาคิดแบบรอบจริงๆเลยนะคิดอริยศาเนี่ยเขาคิดแบบรอบมองทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนี่หน้านะสมควรแล้วที่เขาได้บรรลุนันทีนี้มาดูต่อไปเลยนะถ้าบรรลุอริยศาสแล้วก็มาดูสภาวะต่างๆอีกต่อไปว่า สภาวะที่ท่องแท้ไอค้คาว่าท่องแท้เนี่ยนะยาถายาถาสภา ว, วเนี่ยคือตามสภาวะนั่นแหละท่องแท้ตามสภาวะก็คือตามความเป็นจริงสภาวะตามความเป็นจริงนนมันจริงยังไงสภาวะเนี่ยจริงยังไงหนอสภาว ะ, นนะก็รูปสภาวะธรรมชาติเขาจริงยังไงแปรไปใช่ไหมสลายไปจริงชื่อว่ารูปเวทนา ส่วยอารมณ์สัญญาจำหมายในอารมณ์สังขารปรุงแต่งอารมณ์วิญยารู้แจ้งอารมณ์เนี่ยสภาวะของขันธ์ธาตุยตนะเป็นต้นนั่นเนี่ยในี้ในสภาวะเหล่านั้นน่ะไม่มีแม้แต่สภาวะเดียวที่เป็นอัตตาเพราะฉะนั้นสภาวะทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาคือเว้นจากอัตตาสภาวะของขันธ์ธ า, าตุยุตนะรไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยนะจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาทตนี้สภาวะเหล่านั้นเนี่ย ทองแท้ด้วยเป็นอนัตตาแต่ก็เป็นความจริงใช่ไหมจริงยังไงก็ทุกข์ก็จริงแบบเนี่ยปีรณสันตาปะที่กล่าวไปแล้วมันจริงแบบนั้นนั่นแเลยพรานมันเป็นสัจจะคือมันไม่คลาดเคลื่อนไม่หลอกลวงว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็เป็นธรรมชาติที่แทงตลอดคือบรรลุได้ปฏิเวทาเนี่ยนะบรรลุได้ะแต่ก็เป็นธรรมชาติที่ควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ด้วยยาตะแล่ ตีรณะประิญญามันรู้ยิ่งตรงนี้ยาตะประิญญากําหนดรู้ด้วยตีรณะประิญญาทุกขสัจก็พิจารณาด้วยยาตะตีรณะประิญญาต่อไปก็ธรรมะธรรมะที่ส่งไว้ซึ่งสภาวะของตนชื่อว่าธรรมะเนี่ยนะส่งไว้ซึ่งสภาวะของตนที่ชื่อว่าเป็นธาตุก็เพราะว่าว่างเปล่าจากสับสภาวะที่รู้เนี่ยนะยาตะยาตะก็คือพึงเอ่อก็เรียกว่าพึงอาจเพื่อจะรู้ได้ ส่วนสภาวะที่ควรทําให้แจ้งก็คือสัตว์ฉิกิริยาแล้วก็ถูกต้องด้วยยานนะถูกต้องด้วยยานแล้วก็ควรตรัสรู้กหมายคาอว่ารู้ยิ่งตรัสรู้ยิ่งด้วยปัจเจกขณะยานหรือควรได้เฉพาะด้วยยานพวกนี้ทั้งหมดที่กล่าวอย่างในข้อ46เนี่ยเป็นเรื่องของการบรรลุทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของผู้ที่บรรลุแล้วอ่ะเขาไปรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยนะบรรลุเป็นอย่างไรนะเนี่ย สันเกี่ยวกับเรื่องบรรลุเนี่ยนะแค่เรียนให้เข้าใจยังยากนะนะแต่เป็นที่อื่นนี่ก็บอกว่าผู้ที่ปรารถนาตั้งข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุอ่มรักผลเนี่ยเหมือนเหยียดเท้าลงไปอย่างลงอเวจีใช่ไหมเอื้อมมือไปหยิบภวะกัพรมแต่ถ้าทอก็ทอแล้วได้ดีก็ได้ดีนานแล้วทอก็อยู่ในวัตฏะต่อไปอไม่ทอยแล้วนะ ทีนี้มาดูข้อ47เนี่ยนะข้อ47เนี่ยถือว่าเป็นธรรมะ37ประการก็พูดถึงอุปจาระฌานก่อนว่าเน่ฆัมมะเน่ฆัมมะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปฏิปักิต่อกามฉชันทะพยาบาทเอออัพพยาปาทะเนี่ยนะเมตตาเนี่ยเป็นปฏิปักิต่ อ, ตอพยาบาทอโลกสัญญาความสำคัญหมายว่าสว่างก็เป็นปฏิปักิต่อถีนามิทะ ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นปฏิปักต่ออุทจักความกําหนดรรมเป็นปฏิปักต่อวิจิกิจฉายานยานความรู้เนี่ยนะเป็นปฏิปักต่ออวิชชาความปราโมทเป็นปฏิปักต่ออรติอรติก็ดูในคำอธิบายหน้าสามร้อยห้าเป็นต้นไปอันกขมมะเนี่ยธรรมชาติที่เป็นปฏิปักใช่ไหมเป็นปฏิปักหรือเป็นธรรมชาติที่สลัดออกจาก การมาฉันทะอัพพยาบาทความไม่พยาบาทซึ่งหมายถึงเมตตาเนี่ยนะก็เป็นปฏิบัติต่อความพยาบาทอาโลกสัญญาก็เป็นปฏิบัติต่อทีน่มิทะความไม่ฟุ้งซ่านเป็นปฏิบัติต่ออุเทจะความกําหนดธรรมก็เป็นปฏิบักษต่อวิจิกิจฉาญาณปัญญาก็เป็นปฏิบัติต่ออวิชชาปราโมทเป็นปฏิบักษต่ออรติใครที่ปรารถนาจะได้ฌานนะต้องเจริญคุณธรรมเจ็ประการนี้ได้ แเพราะคุณธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปจาระฌานเป็นคุณเครื่องที่จะทําให้บรรลุฌา น, นนะถือว่าเป็นบาปเป็นพื้นฐานเป็นประธาฐานเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญมากต่อฌานเพราะไม่งั้นนะเกิดการมาฉันทา ม, ม า, อาอะไรมาแก่พยาบาทขึ้นมาอะไรมาแก้ง่วงขึ้นมาอะไรมาแก้ฟุ้งขึ้นมาอะไรมาแก้สงสัยขึ้นมาอะไรมาแก้อวิชชาเกิดขึ้นครอบงำแก้ได้ยังไง เบื่อหน่ายในเสนาสนะอันสังัดเบื่อเจริญกุศลนแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณธรรมคือเนคขัมมะอพยาปาค้อาอโลกสัญญาความไม่ฟุ้งซ่านความกำหนดธรรมยานปราโมทธรรมะเหล่านี้จึงเป็นปฏิปักษ์คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนิวรทั้งหลายนี่นะคือสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรคู่ปรับต่อนิวร น, นั่นเอง ถ้าเราดูตัวตัวปฏิปัติใช่ไหมว่าการมชฉันทะพยาบาทถีนะมิธะอุทะจกักจกุกุจาวิจิกิจชาอาวิชาอารติเนี่ยพวกนี้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญามากเลยแหละจึงจัจึงจัจงจกแก้แก้บาปประรมเหล่านี้ได้หันแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ก็ถือว่ายานะสัมปยุตหมดอยู่แล้วขอให้รู้เตอว่าธรรมะในศาสนาของเรานั้นถือว่ายาณสัมปยุตทุกเรื่องนยถือว่ามียานสัมปยุตทุกคา เพียงแต่ว่ายกเอาตัวใดเด่นๆ่นมาอย่างเนคขม่าเนี่ยถือว่าเด่นมากในการปฏิปักษต่อกามาฉันทะะฉนั้นอะโลภาเนี่ยมีกําลังมากที่จะเป็นปฏิบักษต่อการมาฉันทะอะโทสะเนี่ยเป็นปฏิสำคัญมากที่จะเป็นปฏิบักษต่อโทสะอะโลกสัญญาก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากที่จะทําให้แก้ทีนะมิทะเนี่ยนะซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ถือว่ายานะสัมปยุต เพราะเป็นกุศลต่างขณะกันทั้งเจ็ดอย่างเนี่ยนะถือว่ากุศลต่างขณะกันหมายถึงว่าผู้ที่เจริญกรรมฐานอบรมฌานเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยกามฉันทะเกิดแกยังไงอาเนี่ยนะคือคิดไปคิดมาเอาการมฉันทะเกิดอีกแล้วจะต้องเจริญปัญญาจนกว่าจะระงับดับการมฉันทะคิดไปคิดมาเอากโกรธอีกแล้วคิดยังไงจรึงจะดับความโกรธได้อีกเอาทาไปทามาง่วงอีกแล้วอย่างไง จเจริญยังไงจึงจะหายง่วงคิดไปคิดมานะไม่ง่วงแล้วตื่นขึ้นมาแต่ฟุ้งไปหน่อยทํายังไงที่จะดับความฟุ้งได้เอาไม่ฟุ้งอะสงสัยอีกละแก้ยังไงจึงจะเลิกสงสัยอคิดไม่ออกะเอาไปเอามานี่แก่ซึมไปเลยกันนี่คิดอะไรก็ไม่ออกอันนี้ต้องแก้ด้วยมีปัญญาพอมีความรู้เข้ามาดัานไม่อยากจเจริญแล้วอยากเบื่ออยากเลิกแล้วอยู่เงียบๆก็ไม่ไหวจะไปต่อ ทำไมจะต้องมีปราโมทให้มีความสุขตับการเจริญกุศลแลธรรมั้นคุณธรรมของผู้ที่จะอบรมรักษาจิตให้เป็นไปกับกุศลได้ยาวได้ต่อเนื่องนี่นับว่าสำคัญมากนะะนั้นเครื่องมือเจ็ดประการเนี่ยสำคัญมากที่ที่จะเกื้อกูลต่อการเจริญฌานถือว่าเป็นบาตรสำคัญของฌานเป็นพื้นฐานของฌานชั้นดีเลยก็ ใครที่ที่เจริญกุศลธรรมยาวๆต่อเนื่องเนี่ยจะรู้ว่าคุณธรรมเจ็ดประการนี่สาคัญมากถ้าเจริญไม่ได้นะเดี๋ยวเหอะอยู่ไม่ได้จริงๆนะถ้าเป็นพระสํานวนราบวชอยู่ไม่ได้เลยนะจับขอสร้างดีกว่าทีนี้มาดูพวกสมาบัติบ้างนะเ อ, อพวกอรารติเนี่ยที่เรียกว่าไปราโมดเนี่ยประโม ท, ที่เป็นปฏิปัติต่ออารติเนี่ยนะอรารตินี่หมายถึงอะไร หมายถึงไม่ยินดีในเสนาสนะอันสักะหมายถึงไม่อยากเจริญกุศลต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาเจริญปราโมทปราโมทหมายความว่าดีใจมีความสุขในการเจริญกุศลเนี่ยมาคิดยังไงว่ากุศลนี่มีคุณมากมีเนียนิสงมากมีผลมากแล้วก็ตั้งใจเจริญให้มันเกิดปีติปราโมทปราบเริ่มเป็นไปได้มากเนี่ยนะตัวนี้เรียกว่าปราโมทก็คือปราโมทก็เป็นชื่อของปีติอย่างอ่อนเนยนะ ปราโมทมีอะไรเป็นเหตุใกล้อวิปปิสารเป็นเหตุใกล้นยะส่วนรูปสมาบัติกับอรูปสมาบัติก็คือปฐมฌานทุติยะฌานตาติยฌ า, านจะตุตตาฌานนะทีนี้พวกฌานเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นปฐมฌานเนี่ยสามารถเกิดจากอะไรได้บ้างปฐมฌานเกิดจากะนะกลมอสุภาษิตใช่ไหมกสินสิกกสินพรหมวิหาร ปฐมฌานและอานาปานสติอานาปานสติเนี่ยพวกนี้เป็นคุณธรรมที่จะทําให้ได้ปฐมฌานกสินพรหมวิหารอานาปานสติทําให้ได้ทูติยะฌานกสินพรหมวิหารอานาปานสติทําให้ได้ตัติยะฌานอุเบกขาพรหมวิหารกสินอานาปานสติทําให้ได้จตุทัชฌานเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องฌานทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ มีอยู่ในอนาปานสติกถาข้างหน้าแต่ตรงนี้เป็นการกล่าวหัวข้อธรรมเป็นหลักเนี่ยนะกล่าวหัวข้อธรรมเป็นหลักเพราะว่าถือว่าเป็นโครงสร้างที่ที่จะต้องใช้อีกมากเหลือเกินเนี่ยนะเหมือนกับวางมาติกาวางหัวข้ อ, อนนะเพื่อที่จะได้ค้นคว้าต่อไปอีกส่วนอรูปสมาบัตสี่เนี่ยนะอรูปสมาบัตสี่คืออากาสานัญจายตนะก็มีอะไรเป็นอารมณ์มีอากาศเป็นอารมณ์ วิญญาณัญจายตนะสมาบัตมีอะไรเป็นอารมณ์ <S <S มีอาตาสารัญจายตนะเป็นอารมณ์อากินจัญญายตนะมีอะไรเป็นอารมณ์ <S <S นัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์เนวะสัญญานาสัญยายตนะมีอะไรเป็นอารมณ์ <S <S มีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์เนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่ควรรู้ยิ่งตรงนี้ก็พว้อรูปรชาเนี่ยนะก็ศึกษาไว้เจริญพุทธคุณก็ได้ ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียบพร้อมด้วยฌานสี่อรูปรูปฌานสี่อรูปฌานสี่สมาบัติแปดก็ว่าไป น, นะฮะไว้เจริญพุทธคุณส่วนมหาวิปัสสนาสิบแปดเนี่ยนะก็เป็นหัวข้อธรรมที่ ท, ที่ที่น่าสนใจมากเลยนะมหาวิปัสสนาสิบแปดอั น, นิจจานุปัสสนาการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอนะไรไม่เที่ยงนี้โดยอัฏฐาว่าอะไร ไม่เที่ยงโดยอาถาว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอาถาว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะอาถาว่าไม่มีสาระนิพพิทาเพราะว่ามันน่าเบื่อหน่ายนะทีนี้การตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยถือว่าเป็นอนุปัสนาที่สําคัญมาก ถ้าถือเอาอนุปัสนาสามข้อเป็นบาปเป็นหลักก็นับว่ามีประโยชน์มากส่วนคําอธิบายในอนิจจานุปัสนาเนี่ยนะอ่าอนุปัสนาเจ็ดนี่ก็ดูในหน้าสามร้อยเดี๋ยนะเดี๋ยนะอันนี้มันหน้าสามร้อยหกดูแล้วเพ่งเคยกล่าวบ้างแล้วครั้งก่อนนะั่นในหน้าสองร้อยหกสิบสองอันเลยสองร้อยหกสิบสองที่กล่าวว่า อนิจจานุปัสสนานั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อนิจจสัญญาทุกขานุปัสสนาก็เป็นปฏิปักษต่อสุขาสัญญาอนัตานุปัสสนาก็เป็นปฏิปักษต่ออัตตาสัญญาพันธาอนุปัสสนาสามบริบูรณิพิธานุปัสสนาก็บริบูรณ์เพราะว่านิพิธานุปัสสนานั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความเพลิดเพลินถ้าอนุปัสสนาสี่บริบูรณ์วิราคานุปัสสนาก็บริบูรณ์ เพราะวิราคานุปัสสนานั้นเป็นปฏิปักษต่อราคะถ้าอนุปัสสนาห้าอย AH ่างที่กล่าวไปแล้วบริบูรณ์นิโรธานุปัสสนาก็บริบูรณ์เพราะว่านิโรธานุปัสสนานั้นเป็นปฏิปักษต่อสมุทัยถ้าอนุปัสสนาหกที่กล่าวไปแล้วบริบูรณ์ปฏิเนศขานุปัสสนาก็เกิดขึ้นบริบูรณ์เพราะว่าปฏิเนศขานุปัสสนานั้นเป็นปฏิบัติต่อการยึดมั่นถือมั่นเป็นปฏิปักษต่ออาถารพคือความ ยึดถือเนี่ยนะส่วนขยานุปัสนาตรงนี้คือพังคานุปัสนานแน่นตามคาอธิบายก็คืออันเดียวกันกับพังคานุปัสนาเพราะพังคานุปัสนานั้นอะเห็นเช่นเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่แล้วก็เห็นจิตที่ไปพิจารณารูปอันนั้นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงอีกครั้งหนึ่ง